2. อ, อัฏวะสาวกหมวดว่าด้วยอำนาจประโยชน์ทรงบัญญัติสิกขาบท498พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อการยอมรับว่าดีแห่งพระสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งพระสงฆ์พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุ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 สเพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตพระตถาคตทรงบัญญัติศิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอํานาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติศิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอํานาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อปิดกั้นเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน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 โดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อความเลื่อมใสของเหล่าชนที่ยังไม่เลื่อมใส 2. เพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของเหล่าชนที่เลื่อมใสแล้วพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้พระตถาคตทรงบัญญัติศิกขาบท แก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการคือ 1. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรม 2. เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยพระตถ า, าคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อัตตะสวสาภที่สองจบ